วันนี้เป็นวันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 9เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันคือเป็นวันมาคา บ, บูชาถ้าเรียงลำดับ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันมาคาบูชานี้ก็จะเป็นวันในที่ตั้งอยู่ในลำดับที่สามต่อจากวันอาสาหาบูชาและวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชานี้เป็นวันแรกของเหตุการณ์ที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งตัสรุพระอนุตตรสัมมาสัมปวิทยาณได้เป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นสองเดือนคือวันเพ็ญเดือน8ก็เป็นวันอาสาหาบูชา เป็นวันที่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกให้แก่พระปัญจวคัคคีหลังจากที่ได้แสดงธรรมก็มีพระอัญญาณโกนทัญญะได้บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งคือขั้นสุดาบันแล้วหลังจากนั้นทรงแสดงธรรมอีกให้กับพระปัญจวัคคี สองสามครั้งต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกกันแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปตามสำนักต่างๆที่มีนักบวชที่สนใจต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดนักบวชเหล่านั้นจนบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กัน เป็นจำนวนมากพอมาถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันนี้วันมาค้าบูชาก็เป็นระยะเวลาเจดเดือนหลังจากที่ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกก็ปรากฏมีอย่างน้อยพระอาราันตสาวุกหนพ 1, รูปได้เข้ามา จากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและในตอนบ่ายของวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงหัวใจของพระธรรมคำสอนที่มีอยู่สามประการด้วยกันคือจงละการกระทาบาปทั้งปวง 2. จงสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. จงชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมาปรากฏมาตัดสรในยุคใดสมัยใดก็าตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะเป็นคําสอนที่เหมือนกันหมดเพราะเป็นยารักษาโรคใจที่มีที่ใจมีโรคเหมือนกันคือโรคของความทุกข์และการจะกำจัดความทุกข์โรคของความทุกข์ของใจได้ก็ต้องใช้ยาคือธรรมโอสถที่ประกอบด้วยหัวใจของพระพุทธศาสนาสาม สามขั้นตอนสามประการคือละการกระทาบาปทั้งปวงสร้างกุศลให้ถึงพร้อมและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันมาคาบุชาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโปรดให้กับพระอาหารหันตสาวก ผู้ที่จะทำหน้าที่สืบทอดพระธรรมคำสอนต่อจากพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้ง 1,250 รูปนี้ก็เป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าได้รับการบวชเป็นพระภิกษุจากพระพุทธเจ้าด้วยคำวาจาที่ทรงตัดไว้ว่า จงมาเป็นภิกษุเถิดเอหิภิกขุสัมปทาครั้งแรกๆ ก, การบวชพระนี้จะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้กระทาพิธีให้ใครต้องการจะบวชไม่ว่าจะอยู่สารทิศใดก็จะเดินทางเข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงศีรษะนุ่งผ้ากาสาวพั แล้วก็เข้าไปกราบทูลขออนุญาตพอทรงรับทราบก็ทรงตัดว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดสมัยแรกๆการบวชเป็นการบวชที่ง่ายเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาแต่ต่อมามีผู้สนใจที่อยากจะบวชเป็นจำนวนมากและอยู่ ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าจากการจะเดินทางมาเพื่อมาบวชแต่ละครั้งก็จึงเป็นไปได้อย่างลําบากยากเย็นพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบให้พระภิกษุสง์รับทําหน้าที่ต่อไปให้สงฆ์เป็นผู้รับผู้ที่ต้องการจะบวชเข้ามาบวชกันอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ ผู้ที่จะบวชก็ต้องมีพระภิกษุอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปแล้วก็จะต้องผ่านข้อสอบต่างๆจะมีการสอบสัมภาษณ์เช่นเป็นมนุษย์หรือเปล่ามีโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่าเป็นทาสได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือเปล่าเป็นลูกได้รับ การอนุญาตจากพ่อแม่หรือเปล่าเป็นต้นพอถ้าผ่านสอบสัมภาษณ์ก็จะได้รับเข้าไปเป็นพระภิกษุต่อไปวันมาคาบูชานี้เป็นวันที่ให้เรารำลึกถึงเหตุการณ์ที่ดังได้ที่ได้เล่าให้ฟัง และให้ดำลึกถึงหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องยึดหลักหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นวิถีทางแห่งการดำเนินเราต้อง ละบาปทั้งปวงละการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเตรดูของละเล่นต่างๆดูของบันเทิงมหรสบต่างๆละเว้นจากการเที่ยวกลางคืน ละเว้นจากการคบคนไม่ดีเป็นเมตดละเว้นจากความเกียดค้านนี่คืออกุศลและบาปที่ผู้ปัตนาการหลุดพ้นจากความทุกข์จำเป็นที่จะต้องละให้ได้เลิกให้ได้เพราะการกระทาเหล่านี้ไม่ได้นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ แต่เป็นการเดินไปสู่กองทุกข์ผู้ที่ต้องการดุดพ้นก็จะต้องถอยออกจากการกระทำบาปทั้งปวงแล้วก็ให้มาสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมกุศลก็คือความดีต่างๆเช่นความกระตันยูกระตะเวทีความมีความเคารพนอบน้อม ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทั้งหลายการมีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาอันนี้เป็นตัวอย่างของการกระทำความดีแล้วก็ให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจ ที่ยังไม่ได้ชำระนี้เป็นใจที่มีกิเลสตันหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆที่ทําให้จิตใจมัวหมองทําให้จิตใจมีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆความทุกข์ต่างๆความวุ่นวายใจต่างๆของใจเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ต่างๆภายนอกใจไม่ได้เกิดกับ ไม่ได้เกิดจากบุคคลนั้นบุคคลนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แต่ความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากความโลภความโกรธความหลงถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ใจก็จะปราศจากความทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายเพราะสิ่งที่นำพาสัตว์โลกทั้งหลายให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารก็คือกิเลสตัณหานี่เองเป็นสิ่งที่สัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ไม่รู้กันถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอรหันตสาวก มาสั่งมาสอนมาบอกพวกเราพวกเราจะไม่คิดถึงเรื่องของการชำระใจถึงเรื่องของการกำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงและความอยากต่างๆเลยเพราะเรากลับไปคิดว่ามันทําให้เรามีความสุขเพราะถ้าเวลาเราอยาก ถ้าเราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขกันเช่นอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้ลาบมาก็ดี อ, อกดีใจกันได้ยศได้ตำแหน่งก็ดี อ, อกดีใจกันได้คำสรรเสริญเยินยอยกย่องก็มีความสุขกัน ได้ความสุขจากการได้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภพชนิดต่างๆเราก็มีความสุขกันดังนั้นจะมีใครอยากที่จะมาละความอยากหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีหรอกมีคนบ้าเท่านั้นในสายตาของเขาเขาจะคิดว่าคนที่ไม่หาความสุขทางลาบยศสรรเสริญ ทางรูปเสียงกลิ่นรสโภพพะนี้เป็นคนบ้ากันอันนี้เป็นเพราะว่ามองไม่เห็นความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเขาก็มีความสุขแต่เขาไม่มองถึงความทุกข์ที่มีตามมากับความสุขเวลาที่เขาอยากจะเสพแล้วเขาไม่สามารถจะเสพได้ เวลานั้นความสุขก็จะไม่เกิดและสิ่งที่จะเกิดแทนก็คือความทุกข์ทรมานใจนี่คือส่วนที่สัตว์โลกทั้งหลายมองไม่เห็นกันหรือไม่ยอมมองกันคนใดถ้ามีปัญญามีความฉลาดมีความไข้ควรพิ จ, จารณาสังเกตสังกา ใจของตนอยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจไม่ได้เป็นต้นเหตุของความสุขใจความปราศจากความอยากนี่แหละเป็นเหตุของความสุขใจอันนี้นานๆจะมีคนฉลาดที่จะเห็นโทษของความอยาก เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงได้านานานจะมีสักคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาบุคคลนั้นเราก็เรียกว่าพาระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นบุคคลที่จะช่วยให้พวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์อยู่ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ถ้าเราเข้าหา พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคําสอนของพพระพุทธเจ้ารับรองได้ว่าวันหนึ่งในภพนี้ชาตินี้เราจะสามารถหลุดพ้น จากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่ได้กระทําแบบนี้มาแล้วและได้หลุดพ้นกันเป็นจํานวนมากก็คือพระอาหลานตสาวกทั้งหลายพิจารณาดูเพียงระยะเจ็เดือนแรกเท่านั้นเองของการประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีพระอาหลานตสาวก ปากฏขึ้นมาถึง 1,250 รูปเป็นผู้ที่ได้เรียนจบวิชาทางพระพุทธศาสนาถ้าทางโลกก็คือได้รับปริญญาเอกกันทุกคนตั้งมหาวิทยาลัยได้เพียงเจเดือนเท่านั้นเองก็สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอกได้ถึง 1,250 รูปอย่างเป็นอย่างน้อยส่วนใหญ่ พวกที่ได้บรรลุนี้จะเป็นผู้ที่ได้ทำการบ้านมามากพอสมควรคือได้กระทำสิ่งต่างๆที่ควรจะกระทำเช่นการละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบุคคลเหล่านี้ที่พระทธเจ้าไปทรงโปรดในระยะแร ก, แรกๆนี้เป็นนักบวชกัน เป็นนักบวชในสำนักต่างๆที่มีความเห็นวิธีการดับความทุกข์ไปในทางแนวทางที่ต่างกันไปแต่ก็มีแนวทางที่เหมือนกันเช่นการไม่กระทำบาปทั้งปวงพวกนักบวชทั้งหลายนี้เขารู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นโทษเป็นธรรมเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ และมีการกระทำกุศลพอเห็นว่าเป็นการกระทาที่ทาให้เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่แล้วก็เห็นว่าการกระทำการกำจัดหรือการหยุดความอยากต่างๆทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความอยากต่างๆ ให้หมดไปได้อย่างถาวรเขาทำได้เพียงในระยับในในระดับชั่วคราวคือเวลาที่ทำใจให้สงบด้วยกำลังของสติด้วยการเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งถ้าจิตไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นเอกขัตตารมสัตวารูเป็นอุเบคา ตราศจากความทุกข์เพราะในขณะนั้นความอยากต่างๆความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้พักการทำงานไว้ชั่วคราวเพราะความโลภความอยากต่างๆนี้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งของจิตถึงจะสามารถทำงานได้ทำหน้าที่ได้เวลาที่จิตหยุดคิดจิตรวมเข้าสู่ความสงบ ความโลภความอยากต่างๆก็จะหยุดทํางานชั่วคราวแต่ไม่ตายพอจิตถอนออกจากสมาธิมาคิดปรุงแต่งความอยากความโลภต่างๆก็จะเริ่มทํางานทันทีจะพยายามดึงจิตให้คิดไปในทางความหลงคิดไปในทางความโลภ ค, ค, คิดไปในทางความอยากกัน เห็นรูปก็อยากจะเสพอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ยินเสียงก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาพอเกิดความอยากความสงบที่ได้จากสมาธิก็จะถูกทำลายไปไม่มีใครรู้วิธีว่าจะกําจัดความอยากที่มาสร้างความไม่สบายใจได้อย่างไร มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่รู้จักวิธีการกําจัดความอยากต่างๆด้วยการพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆที่ความอยากต้องการนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอเป็นอนิจจังเป็นทุกข์สิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์อยากให้รูปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เสียงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะจะไม่สามารถทำตามความอยากได้เพราะความอยากของจิตที่มีความหลงครอบงำอยู่นี้จะอยากในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงจะอยากให้สิ่งที่ไม่เทียเท่ยงเที่ยง อยากจะให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนให้เป็นของตนพอเวลาได้สิ่งที่มาได้สิ่งที่อยากได้มาก็อยากจะให้มันอยู่กับตนไปนานๆเป็นสมบัติของตนไปนานๆแต่สิ่งต่างๆนั้นเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เทียงแท้แน่นอนถาวรเขามีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พอเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจขึ้นมาพอเกิดการสูญเสียเกิดการสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่ได้มาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นด้วยด้วยการพิจารณาด้วยความสังเกตการสังเกตสังกา เหมือนกับสมัยโบราณสมัยที่เรายังไม่รู้ว่าโลกนี้มันกลมคนสมัยก่อนเขามองเห็นโลกนี้เขาจะคิดว่ามันแบนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนโตถ้านั่งเรือออกไปในทะเลถ้าไปสุดขอบทะเลก็จะตกออกจากโลกไปเพราะคิดว่าโลกนี้เป็น เป็นพื้นราบเหมือนกับเป็นเป็นโต๊ะถ้านั่งเรือออกไปไกลๆเดี๋ยวพอไปสุดขอบทะเลก็จะตกออกจากโลกออกจากโลกไปก็เลยไม่มีใครกล้าออกไปไกลๆกันเลยไม่รู้ว่าโลกนี้ที่อยู่อีกฟากของทะเลนี้มีอะไรหรือไม่แต่ก็มีคนฉลาดที่ช่างสังเกตสังกาชอบเปรียบเทียบว่า ถ้าโลกมันแบนทำไมเวลาเรือที่วิ่งเข้ามานี้ทำไมมันถึงเห็นที่เสารกระโดงก่อนทำไมมันไม่เห็นพร้อมกันเลยถ้ามันเป็นพื้นราบนี้มันจะต้องเห็นตัวเรือเห็นเสารกระโดงพร้อมๆกันแต่ทำไมจะเห็นเสาก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนลงมาสู่ตัวเรือตามลาดับเือ เหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามาเวลาขี่ม้าข้ามเขามานี่เราจะเห็นคนขี่ก่อนเพราะเป็นส่วนที่สูงแล้วพอเข้าเข้ามาถึงจะค่อยเห็นตัวม้านั่นก็เป็นเพราะว่าพื้นที่เขาขี่ม้ามานี้มันไม่ราบมันไม่เรียบมันไม่แบนมันโค้งวาวเวลาขึ้น ขี่มาข้ามเขามานี่ขี่ผ่านพื้นที่มันโค้งวาวเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าโลกนี้มันไม่แบนมันต้องกลมเหมือนกับดวงดาวต่างๆที่เขามองเห็นในท้องฟ้าดวงดาวต่างๆซึ่งเป็นเหมือนกับโลกเขาก็กลมเหมือนกันหมดแล้วโลกนี้มันจะแบนได้อย่างไรเขาก็เลยกล้าที่จะพิสูจน์นั่งเรือออกไป นั่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ตกขอบไม่ตกขอบออกจากขอบโลกไปจนในที่สุดนั่งเรือก็จากจากจุดเดียวไปทางทิศเดียวก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นได้ก็แสดงว่าโลกนี้มันกลมนี่คือการพิสูจน์ของนักปราชญ่เป็นนักปราชญาทางทางโลก ทางจิตใจนี้เขาไม่ได้สังเกตมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สังเกตที่ทรงเห็นว่าความอยากต่างๆนี่แหละที่เป็นทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไปะอยากในสิ่งที่มันขัดกับความเป็นจริงอยากในสิ่งที่ไม่เที่ยงให้มันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราะ พอมันไม่เที่ยงพอมันไม่เป็นของเราขึ้นมาเราก็ทุกข์ใจกันนี่คื อ, อปัญญาหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงคนพบที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้เพราะถ้าเราเกิดความอยากให้เที่ยงให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยง พอเรามารู้ว่ามันไม่เที่ยงอยากยังไงมันก็ไม่เที่ยงอยากไปก็ทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองเช่นร่างกายของพวกเรานี้เราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันแต่เรายังไม่ยอมรับความจริงอันนี้ทั้งๆที่รู้ทั้งๆทั้งๆที่เห็นพอเราเจอความแก่เราก็ทุกข์กัน เจอความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทุกข์กันเจอความตายของร่างกายเราก็ทุกข์กันทั้งๆ ท, ที่เห็นอยู่กับตาแต่ก็ไม่เชื่อไม่ยอมรับความจริงหรือว่าถ้าเชื่อก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากที่มันไม่เชื่อได้การที่จะหยุดความอยากที่มันไม่ยอมเชื่อความจริงนี่ได้เราก็ต้องสร้างเบรก หยุดความอยากความอยากนี้เราเบรคมันได้ด้วยสติแล้วเราใช้ปัญญามาฆ่ามันได้เราก็ต้องขั้นต้นต้องเบรคมันก่อนต้องหยุดมันด้วยสติทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงไปมันจะไม่มีกำลังมากเหมือนขณะตอนที่มันไม่สงบ พอมีความสงบแล้วเทนี้มาสอนใจมาเตือนใจมาบอกใจว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอมันเจอความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะยอมทันทีมันก็จะปล่อยยอมปล่อยร่างกายปล่อยให้ร่างกายแก่ไปปล่อยให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปปล่อยให้ร่างกายตายไป เพื่อใจจะได้ไม่ทุกข์กับมันนั่นเองความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่เกิดจากความอยากของใจที่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะต้องทำทำข้อสอบนี้ให้ได้ด้วยการจเจริญสติให้มากฝึกใจ ให้สงบเพราะความสงบนี้จะหยุดตัญหาความอยากได้จะตัดกำลังของความอยากให้มันอ่อนลงได้แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมรับความจริงของร่างกายเถิด อย่ารับว่ามันต้องแก่อย่าไปฝืนอย่าไปทำสัญญกรรมต่างๆอย่าไปาซื้อเครื่องสำอางอะไรต่างๆมาตบมาแต่งมาหลอกคนว่าเรายังไม่แก่แก่ก็แก่ความแก่นี้ไม่ได้เป็นผิดกฎหมายไม่มีใครก็จะจับเราเข้าคุกตารางเพราะว่าเราแก่ไม่ต้องไปอําพรางความแก่ แล้วก็ความแก่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเป็นคนไม่ดีคนดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่แก่หรือสาวหรือหนุ่มอยู่ที่ความประพฤติว่าทำบาปหรือไม่ทำบาปมากกว่าถ้าทำบาปต่อให้หนุ่มให้สาวให้หน้าตาดูดีขนาดไหนก็ตามก็จะไม่มีใครเขายินดีคบค้าสมาคมด้วย แต่ถ้าเป็นคนแก่หนังเหี่ยวยน่นแต่เป็นคนที่ไม่ทำบาปเป็นคนที่ทำแต่ความดีจะมีแต่คนเขารักเข้าชอบยันไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องความแก่ของร่างกายมากังวลกับการกระทำบาปของเราดีกว่าถ้าเรายังทำบาปอยู่มาละการกระทำบาปทั้งปวงจะดีกว่า จะมีคนรักเราถ้าเราไม่ทำบาปหน้าตาเราจะไม่ไม่สวยไม่งามหนังเหี่ยวยน่นผมงอกหัวศีษะโลนีก็ยังมีคนรักมีคนชอบเราอยู่เพราะเราเป็นคนที่ไม่ทำบาปนะั้นอย่าไปกังวลนะกับเรื่องของความแก่ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ด้วยกันอย่าไปทุกข์กับมันะ ที่ทุกข์เพราะไม่อยากแก่กันต้องไปเสริมความหนุ่มสาวกันโดยการย้อมผมผมงอกก็ต้องย้อมสีต่างๆเพื่อมาอำพรางความแก่หนังเหี่ยวย่นก็ไปหาทำสัญยกรรมดึงให้มันเต่งตึงขึ้นมามีสิวมีฝ้าก็ไปหาหมอให้ใช้ เ ล, เลเซอร์กำจัดให้มันหายไปแต่กำจัดได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่เรื่องของร่างกายมันจะต้องแก่มันจะต้องเหี่ยวไปตามการตามเวลาของมันซสื้เอเงินทองนี่มาทําบุญดีกว่าจะมีความสุขกว่าจะทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่กังวลกับความแก่ คืต้องยอมรับความแก่แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการมาอําพรางความแก่ของร่างกายถ้าเรายอมรับความเจ็บเวลาร่างกายเจ็บปวดตามส่วนต่างๆนี้เราจะไม่เดือดร้อนความเจ็บปวดทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยความเจ็บที่เป็นส่วนใหญ่คือความเจ็บทางจิตใจ ใจของเราทุกเพราะว่าเราไม่อยากให้ร่างกายเจ็บพอร่างกายเจ็บนิดเดียวใจนี่เจ็บขึ้นไปร้อยเท่าหมอบอกจะฉีดยานี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจเจ็บไปก่อนแนละ้วแต่ถ้าเป็นคนที่ได้ฝึกอยู่กับความเจ็บอยู่เรื่อยๆก็จะรู้สึกเฉยๆเวลาที่ร่างกายเจ็บ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมในนั่งสมาธิไปแล้วไม่ช้าก็าเร็วก็จะต้องเจอความเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกายความเจ็บเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เพราะจะทำให้เราได้ทำการบ้านกันข้อสอบของเรานอกจากความแก่แล้วก็คือความเจ็บเราต้องปล่อยวางความเจ็บให้ได้เราต้องผ่านความเจ็บให้ได้ การผ่านความเจ็บก็คือปล่อยวางไม่ไปกลัวความเจ็บไม่ไปอยากให้ความเจ็บหายไปหรือไม่อยากให้ความเจ็บโผล่ขึ้นมาเพราะถ้ามีความอยากเหล่านี้แล้วจะเกิดความทุกข์ใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายอย่างที่ได้พูดหมอยังไม่ทันฉีดยาเลยใจเจ็บไปก่อนนะเพียงแต่รู้ว่าจะฉีดยาเท่านั้นเอง ถ้าหมอบอกว่าจะต้องผ่าตัดนี้ใจนี่ไปก่อนแล้วทุกไปก่อนแล้วทั้งๆ้งที่ใจไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกหมอผ่าตัดสิ่งที่ถูกหมอผ่าตัดก็คือร่างกายเนื้อหนังมังสาที่ไม่รู้เรื่องอะไรเอามีดไปกรีดหนังมันไม่รู้เรื่องอะไรไมันไม่เดือดร้อนแต่ผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจผู้ที่มารับรู้กับความเจ็บของร่างกาย แต่ถ้าใจฉลาดใจเพียงแต่สักแต่ว่ารู้เฉยๆใจจะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายดึงต้องฝึกใจให้สงบฝึกใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้พราเวลาใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วใจจะรับกับความเจ็บของทางร่างกายได้อย่างไม่สะทกสะทานการฝึกสติการนั่งสมาธินี้ เพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อใจเป็นอุเบกขาแล้วใจก็จะรับกับความทุกข์ได้และยิ่งถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแยกความเจ็บของร่างกายออกจากความเจ็บของใจได้ก็จะสามารถที่จะกำจัดความเจ็บของใจที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันให้หายไปหมดได้ ถ้าไม่มีความเจ็บทางใจแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหากับใจเลยเช่นพระพุทธเจ้าครูบาจารย์พระอรหันตสาวกเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ท่านบางทีไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องหาอยู่้ายากินถ้าเป็นโรคที่มันเป็นแล้วหายเองได้เช่นไข้หวัดเป็นไข้ป่าไข้อะไรต่างๆเหล่านี้ท่านใช้ สมาธิท่านใช้ปัญญาเรียกว่าธรรมะโอสถทาใจให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางพิจารณาว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปไล่มันไปได้หรือห้ามไม่ให้มันมาได้ มันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปถ้ามีเหตุให้มันมามันก็มาพอเหตุที่ทำให้มันมาหมดไปมันก็ไปของมันเองใจไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันถ้าไปอยากให้มันไม่มาหรืออยากให้มันไปเวลาที่มันมาใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาที่รุนแรงมากกว่าความเจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกันผู้ที่ปฏิบัติต้องพยายาม ทำความเข้าใจเรื่องของความเจ็บของร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเราไม่ได้เจ็บตลอดชีวิตใช่ไหมเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยบางเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็หายมันจะเจ็บมากเจ็บน้อยอยู่ที่ใจของเรา ถ้าใจเรามีความอยากไม่เจ็บนี้มันจะเจ็บมากมันไม่ได้เจ็บที่ร่างกายแต่มันเจ็บที่ใจแต่มันจะเหมือนกับอยู่ที่เดียวกันถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะร่างกายออกจากใจนี้ความเจ็บมันก็จะเลยเหมือนว่ารุนแรงความเจ็บของร่างกายรุนแรงแต่ความจริงที่มันรุนแรงนี้มันไม่ได้รุนแรงที่ร่างกายแต่รุนแรงที่ใจเพราะไม่รู้จัก ปฏิบัติกับความเจ็บของร่างกายพอเกิดความเจ็บปั๊บนี่เกิดความอยากให้มันหายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทำให้ความเจ็บนี้เพิ่มพูนขึ้นไปอกีกหลายเท่าด้วยกันแต่ถ้าเรามาฝึกใจทำใจให้สงบด้วยสติเราสอนใจด้วยปัญญาว่าความเจ็บนี้มันเป็นของไม่เที่ยง มันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆโดยอย่าไปอยากให้เขาหายไปหรืออย่าไปอยากให้เขาไม่มาเราเวลาเกิดความเจ็บทางร่างกายนี้จะไม่เดือดร้อนจะอยู่กับมันได้จะจะสู้กับมันได้อย่างสบายนี่คือ วิธีที่เรามาฝึกมาเตรียมตัวกันเป็นการบ้านที่เราต้องทำกันเพราะเรามีร่างกายที่จะต้องแก่ที่จะต้องเจ็บและที่จะต้องตายนี่เป็นเหมือนข้อสอบสามข้อใหญ่ๆของร่างกายร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บแล้วในที่สุดร่างกายก็ต้องตายความตายของร่างกาย เราก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปตามลำดับร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอาการสามสิบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมฝฟเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดแต่ถ้าใจไม่มีปัญญาไม่มีใครสอนก็จะไปหลงคิดว่าใจเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเป็นไปด้วยร่างกายแก่ใจก็คิดว่าตนเองแก่ร่างกายเจ็บก็คิดว่าตนเองเจ็บร่างกายตายก็คิดว่าตนเองตาย แต่ใจไม่อยากตายจะทำอย่างไรก็กลัวความตายกันไม่อยากตายหนีความตายกันด้วยวิธีต่างๆยิ่งกลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้ามาศึกษาและมาพิจารณาจนเข้าใจว่าเรื่องของความตายนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เราทุกขนะ์ เรื่องที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความกลัวตายความไม่อยากตายความอยากอยู่อันนี้ก็เป็นความอยากที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์นี่เองความอยากอยู่ความอยากไม่ตายนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์กับความตายของร่างกายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอยู่หยุดความอยากไม่ตายนี้ ยอมยอมตายถ้าถึงเวลาต้องตายก็ให้มันตายไปเราไม่ได้ตายไปกับมันเราจะไปเดือดร้อนทำไมเวลาร่างกายของคนอื่นตายไปเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยทำไมเวลาร่างกายที่เราครอบครองอยู่นี้ตายไปเราไปเดือดร้อนมันก็เป็นร่างกายเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกัน แล้วนายที่สุดก็จะกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยากก็ทุกข์เท่านั้นเองไม่มีใครอยากจะทุกข์กันเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันมาชำระความอยากกันด้วยการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขา เพื่อที่จะได้ใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายให้สักแต่วรู้เฉยๆถ้ามีสติมีปัญญาก็จะหยุดความอยากได้เพราะสติก็จะมีกำลังหยุดความอยากปัญญาก็จะเป็นผู้ที่บอกว่าความอยากนี้เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณก็จิตจิตก็จะไม่อยากอีกต่อไป แล้วพอผ่านเรื่องของความตายไปได้แล้วก็จะอยู่อย่างสบายนั่งกายก็ยังไม่ได้ตายอยู่เหมือนเดิมอยู่แต่ขณะอยู่ก็ไม่ทุกข์กับการอยู่ขณะตายก็ไม่ทุกข์กับความตายรับได้อยู่แบบทุกข์ยากอยู่ยากลำบากอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนน่างกายจะกดอยากขาดแคลนด้วยปัจจัย4 ก็ไม่เดือดร้อนอยาหิวโหยอาหารไม่พอกินเสื้อผ้าไม่พอสวมใส่ก็ไม่เดือดร้อ น, ออาาพอนเอพเราะใจนี้สามารถปล่อยวางด้วยปัญญาได้ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของใจมันเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ทำเท่าที่เราจะทําได้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยแล้วไม่ให้ทําไม่ใช่ปล่อยแล้วก็ไม่ให้ไปกินข้าวถึงเวลาก็กนินถึงเวลาก็ดื่มถึงเวลาก็นอนแต่ถ้าไม่มีกินไม่มีดื่มก็ต้องยอมรับยอมอดไปเพราะว่าอย่างมากก็แค่ตายยังไงยังไงมันก็ต้องตายจะอยู่อย่างอิมมีพีมันมันก็ตายเหมือนกัน จะอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนอดมือ้อกินมือ้อมันก็ตายเหมือนกันแต่ใจจะไม่ทุกข์ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาจะทาจะควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้ตลอดเวลาให้สักแต่ว่ารู้กับเรื่องของร่างกายกับเหตุการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นกับร่างกายตอนนี้ร่างกายแก่ก็สักแต่ว่ารู้ไป ตอนนี้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สักแต่ว่ารู้ไปตอนนี้ร่างกายตายก็สักแต่ว่ารู้ไปท่านั้นเองไม่มีอะไรหน้าตื่นเต้นหน้าตกใจหน้าหวาดเสียวแต่อย่างใดถ้าได้ศึกษาเรื่องของร่างกายอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะรู้ว่ามันก็เป็นเพียงเดินน้ำลงไฟที่มารวมตัวกันเป็นอาการสามสิบสองเท่านั้นเองเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนัง เป็นเอ็เป็นกระดูกเป็นต้นผมมันเป็นเราหรือไม่หนังเนื้อเอกระดูกนี่มันเป็นเราหรือไม่มันก็เป็นผมมันก็เป็นหนังเป็นเนื้อเอ็นผมเวลาตัดทิ้งไปมันก็กลายเป็นดินไปหนังเนื้อเอนเล็บก็เหมือนกันเพราะมันถูกตัดทิ้งไปเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าแล้วก็แห้งกรอบกลายเป็นดินไปทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลมฝฟยไม่ใช่ตัวเราของเรา เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นอาการสาสบสองนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกสอนใจหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วถ้ายังไม่ได้สมาธินี้มันจะไม่มีกําลังที่จะมาสอนใจเพราะว่ากิเลสมันจะดึงใจให้ไปคิดในทางของกิเลสคิดไปหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางลูกเสียงกลิ่นลดกัน มันจะไม่มีความอยากที่จะมาคิดถึงเรื่องอาการสามสิบสองคิดถึงเรื่องดินน้ำลมไฟคิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายคิดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมันหิวโหวยกับความสุขทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญมันก็จะวิ่งไปหาแต่ลาบยศสรรเสริญมันจะไม่มีโอกาสที่จะมา ทำใจให้สงบมีโอกาสที่จะมานั่งคิดมาสอนใจอย่างเป็นเป็นเหตุเป็นผลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวคิดก็แวบเดียวคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายปั๊บไปแล้วหายไปและไปกินขนมต่อแล้วไปดูหนังต่อแล้วถ้าคิดแบบนี้มันไม่พอมันต้องคิดตลอดเวลา คิดจการทั่งเวลาเกิดความอยากนี้มันหยุดความอยากได้ถึงจะเรียกว่าพอพออยากจะกินขนมก็บอกเดี๋ยวก็ตายแล้วไปกินทาไมไม่จำเป็นต้องกินก็อย่าไปกินมันไม่จำเป็นต้องดื่มก็ไม่ต้องไปดื่มมันไมไ่เพราะทำตามความอยากแล้วมันจะเกิดความทุกเวลาอยากแล้วไม่ได้กินแล้วเป็นยังไงเวลาอยากแล้วไม่ได้ดื่มมล้เป็นยังไงให้คิดแบบนี้เป็นถึงจะเป็นปัญญาเป็นมรรคขึ้นมา แต่ไม่คิดกันล่ะพออยากวั๊บวิ่งไปเลยอยากได้อะไรเปิดตู้เย็นหากันเลยอันนี้เพราะว่ากิตมันไม่มีความอิ่มในตัวไม่มีความสงบจึงไม่มีทางที่จะไปคิดทางปัญญาได้จึงต้องทำใจให้อิ่มก่อนทำใจให้สงบก่อนพอใจอิ่มไม่หิวกับรูปรูปเสียงจิตลดแล้วทีนดี้ก็มาสอนมันได้ มือนสอนเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าไม่ให้มันกินข้าวก่อนมันไม่ฟังไม่รู้เรื่องเวลาครูสอนมันจะคิดถึงแต่อาหารอย่างเดียวต้องมีเวลาพักกินอาหารก่อนพักเที่ยงพักกลางวันพอ ก, กินอาหารเสร็จแล้วพอมานั่งในห้องก็อยากมีสมาธินั่งฟังคําสอนของครูของอาจารย์ได้จิตของพวกเราก็เหมือนกันแต่การจะเรียนรู้ทางธรรมนี้มันต้องใช้สมาธิมากกว่าการเรียนรู้ในทางโลกเนี่ย เรีรู้ในทางโลกนี้ชั่วเดี๋ยวเดียวแปบ๊บเดียวแต่ทางธรรมนี้มันต้องทั้งวันทั้งคืนเลยเวลาจะสอนใจเพราะความอยากมันทํางานตลอดเวลาความหลงมันทํางานตลอดเวลาการสอนใจนี้ก็เพื่อมาแก้ความหลงที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาที่ผลักดันใจให้ไปหลงกับลาบยศสรรเสริญหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะต้องสอนมันตลอด ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะสอนอย่างนี้ได้ก็ต้องมีใจที่สงบก่อนดังนั้นเวลาเริ่มปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะไปกังวลกับเรื่องปัญญาควรจะกังวลกับเรื่องสมาธิมากกว่าว่าทำอย่างไรทําใจให้สงบทําใจให้อิ่มก่อนเพราะถ้าใจอิ่มใจสงบแล้วทีนี้แหละออกไปทางปัญญาได้ พิจารณามันทั้งวันทั้งคืนเลยเอาให้มันจำได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกเลยอย่างที่พระเจ้าทรงสอนพระอนุ์ให้พิจารณาความตายว่าพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเลยจนจนไม่หลงไม่ลืมเลยตอนนี้พวกเราจำความตายกันได้ไ้ยพอไม่คิดปั๊บนี่หายไปแล้วคิดว่าจะอยู่ไปเป็นร้อยปีพันปีกันเทนั้นพอไปเห็นคนตายทีก็หวาดเสียวขึ้นมา ถึงจะได้สติกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่พอถ้าคิดเคยงแค่นี้เพียงแต่ไปงานศพเวลาคนตายก็ไปงานศพกันสักครั้งหนึ่งนี่พอไม่พอไม่มีงานศพก็ลืมไปละดูวความหลงหลอกว่าจะอยู่กันไปยาวนานจะต้องหาความสุขกันให้มากๆไปต่อนี่แหละคือเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเป็นขั้นเป็นตอนศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาะ ศีลก็ต้นเบื้องต้นก็ศีลห้ 5, าพอได้ศีลห้าแล้วก็ศีลแปดพอศีลแปดแล้วก็ไปภาวนาได้นะไปเจริญสติไปทําใจให้สงบได้เรียกว่าส ม, มะถะภาวนานะพอได้ส ม, มะถะภาวนาแล้วใจสงบแล้วทีนี้ก็ไปวิปัสสนาภาวนาได้ไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาอสุภะได้ พิจารณาอาหาเรเลยปติกู ล, ลสัญญาได้พิจารณาดินน้ำลมไฟได้พิจารณาอาริยสัจ ส, สี่ได้เนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนถ้าทำตามถ้าทำข้ามขั้นแล้วรับรองได้ว่าทำแล้วไม่ได้ผลจะเสียเวลาไปเปล่าๆ ป, ป, ปฏิบัติมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ได้ผละ ส่วนใหญ่มักจะไปนู่นเลยอภิธรรมกันพอเริ่มต้นก็ไปอภิธรรมไปขั้นระดับปัญญาระดับสูงกันแต่กิเลสกับตัดมันไม่ได้แม้สักตัวหนึ่งความรู้ที่มันไม่สามารถตัดกิเลสได้เราไม่เรียกว่าเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นความรู้ที่ตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ ถ้าความรู้ที่ลัาคิดว่าเรามีอตอนนี้มันวิเศษเรามาพิสูจน์ดูว่ามันตัดความอยากต่างๆได้หรือไม่ถ้ามันตัดไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเถิดมาหาความรู้ที่ตัดความอยากได้ดีกว่าความรู้ที่จะตัดความอยากได้นี้ต้องผ่านสมถะ ภ, ภาวนาไปก่อนเรียกว่าภาวนาเมยับปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมถะภาวนา จึงเรียกว่าเป็นปัญญาที่จะฆ่ากิเลสได้สุตะมยปัญญาคือปัญญาที่ได้ยินได้ฟังอย่างขณะนี้ยังเอาไปฆ่ากิเลสไม่ได้ฟังปั๊บเดี๋ยวก็ลืมนะพอออกจากที่นี่ไปก็ลืมแล้วพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็กราบมันละทําตามที่มันสั่งทันทีเนี่นสุตมยปัญญาฆ่ากิเลสไม่ได้แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของ ของการเจริญปัญญาขั้นเบื้องต้นต้องฟังก่อนฟังแล้วก็ไปทำเป็นจิตตามายะปัญญาเอาไปคิดค่ายควรอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงให้ลืมเพื่อที่จะได้เอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติศีลเอาไปปฏิบัติสมาธิพอจิตสงบแล้วทีนี้มาเจริญปัญญาก็จะเป็นภาวนามายะปัญญาแล้วพอกเพกเรพอขึ้นมาปั๊บนี่สู้กันเลยไม่ก ล, าาล้ามันละ ชกกันเลยต่อยกันเลยถ้าไม่แพ้มันก็ไม่ยอมหยุดถ้าไม่เอาไม่ชนะมันก็จะไม่หยุดนอันนี้แหละเป็นปัญญาที่พุทธเจ้าทรงใช้ในการฆ่ากิเลสตัณหาปัญญาที่ทําให้พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาที่ทําให้พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้เป็นพระอาหารหันตสาวกกัน พวกเราก็ต้องใช้ปัญญาแบบนี้เราถึงจะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกกันได้อยน่นตอนนี้เราได้สุดตะมายะปัญญาแล้วขั้นคือการปัญญาความรู้ที่ได้ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังขั้นต่อไปก็จะเอาไปคิดต่อถ้าไม่คิดเดี๋ยวลืมหมดได้ยินได้ฟังอะไรวันนี้เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ถามว่าวันนี้ฟังเทศฟังธรรมมา น, นี้มีอะไรบ้างจําไม่ได้แนละ้วเพราะออกจากนี่ไปก็เห็นขนมเห็นกาแฟ ร, รออยู่แล้ว มันก็ไปวิ่งไปหาขนมหากาแฟกันเถอะพอไม่ไปคิดถึงธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้มันก็หายไปหมดต้องคิดอยู่เรื่อยๆพอคิดอยู่แล้วมันจะเตือนใจให้เราต้องไปปฏิบัตินะต้องสร้างให้มันเป็นภาวนามาย์ปัญญาขั้นแล้วจะได้ภาวนามาย์ปัญญาก็ต้องได้สติก่อนมีสติแล้วถึงจะทําใจให้สงบได้ มาใจสงบแล้วทีนี้พอพิจารณามันจะเป็นภาวนามยปัญญาพอเจอกิเลสนี้มันฆ่ากันได้ทันทีเลยนี่คือเรื่องของการชําระใจให้สะอาดบ่อยสุดที่เป็นหนึ่งในสของคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ละการกระทําบาปทั้งปวงข้อที่สองก็คือให้ อย่างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเช่นความกระตันยืความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีสัมมาคาระวะความมีเมตตากราุณามุดิตาอุเบกขาแล้วก็ให้มาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติรมทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะได้รับผลอย่างที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับผลกันอย่างแน่นอนแล้ว วันมาค้าบูชานี้มันก็จะเป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเราว่าเราก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของของของของสมาคมอันนี้มาร่วมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าในวันมาค้าบูชากันเป็นหนึ่งในพระอาหารหันตาสาวกที่เดินทางมาจากสารทิตต่างๆเพื่อมาฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นขอให้พวกเราในวันนี้ถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็ขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติตามคำสอนทั้งสามข้อนี้แล้วจะถือว่าได้บูชาอย่างแท้จริงผู้ใดปฏิบัติธ ร, รรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นคือผู้บูชาเราตถาคตการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถาวาริวาหาปุราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานงอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จันโทปนะระโสยธาบณิจโตรติระโสยธาสปิฏิโยวิวาจันโทสัพพโรโควินสศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีที่ขายุโกภวะภิวาธนสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโน ชาตาโรธัมมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีความท่านที่อยากจะถามคำถามต่างๆก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถ้าไม่มีก็จะให้พิธีกรถามคำถามจากทางบ้านไปก่อนคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามข้อหนึ่งการทำสมาธิเจริญสติเวลาลืมตาเจริญสติได้ดีครับ ไม่ฟุ้งซ่านแต่พอเวลานั่งหลับตาบริกรรมพุโทโธจะฟุ้งคิดปรุงแต่งต่างๆกรณีแบบนี้ให้เจริญสติไปก่อนหรือว่าให้พยายามนั่งไปด้วยครับถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็ยังไม่ต้องนั่งก็ได้เพราะสติยังไม่มีกำลังพอพอนั่งหลับตาแล้วมันเริ่มคิดไม่มีกำลังที่จะหยุดมันไม่มีกำลังที่จะพุโทโธพุธโทโธได้ก็ ไดเดินจงกรมหรือ ว, ว่าถ้านั่งลืมตาแล้วทำให้ใจไม่ฟุ้งซ่านก็ลืมตาไปก่อนก็ได้และบริกรรมพุโทโธลืมตาจิตจะสามารถรวมเหมือนหลับตาได้ไหมครับก็ได้บางครั้งบางครั้งก็ได้บางครั้งก็มันแล้วแต่ว่าเราลืมตาแล้วเราไปปรุงแต่งกับรูปที่เราเห็นหรือไม่ถ้าเราดูเฉยๆโดยที่เราไม่ไปปรุงแต่งมันก็รวมได้สงบได้เหมือนกัน แต่อาจจะไม่สงบอย่า ง, า ง, ตงตเต็มร้อยถ้าหลับตาเนี้มันอาจจะเข้าไปดึ ก, กว่าข้อสองผมตักบาตรตอนเช้าขนาดตักข้าวใส่บาตรมือไปโดนสำรับอาหารพระที่กำลังตักผมควรจะยกประเคนใหม่ไหมครับก็ออตามหลักพระวินัยถ้ า, าเราไปแตะต้องของพระนี่เราก็ต้องประเคนท่านแต่ก็ต้องให้พระท่านเป็นคนบอกจะดีกว่ า, วาไงั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปสอนพระ เพราะว่าบางทีพระที่ท่านบวชใหม่บางทีท่านก็ยังไม่เข้าใจเรื่องพระวินัยก็ถ้ามันไม่มีเจตนาก็ถ้าท่านไม่ได้บอกให้ประเคนก็ลองถามท่านว่าให้ผมประเคนไหมถ้าท่านบอกไม่ต้องก็แล้วไปท่านอาจจะไม่ไม่เข้าใจก็ได้คำถามจากคุณธรรมชนะทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติภาวนาทุกวันที่บ้านด้วยความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุธรรมเพื่อพระนิพพาน แต่เราอาศัยการฝึกจากหนังสือหรือจากแผนธรรมะของพระอระหันต์แต่เราไม่ได้ไปที่วัดแต่เราถือศีลธรรมที่บ้านจะมีโอกาสบรรลุถึงพระนิพพานสําเร็จในธรรมไหมคะที่ไหนก็สําเร็จได้ทั้งนั้นะอยู่ที่ใจเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่สถานที่ถ้าใจมีธรรมที่จะทําทให้บรรลุมันก็บรรลุได้ก็คือสติสมาธิและปัญญานี่เอง วันแล้วเหร อ, เ, อเร็ เ, รเลย อ, อ, อันนี้น้อยเมื่อวานนี้คำถามเยอะตอบมาสองวันก่อนแล้วแต่คงจะมีคนชอบถามอยู่ที่นี่มั้งใครอยากจะถามก็ถามนะกานมัสการค่ะพระอาจารย์คือเวลาที่เราปฏิบัตินะคะพระอาจารย์พอเราพูดโทพูดโทไปเรื่อย มันก็จะมีความคิดแล้วเราก็จะเหมือนกับเราจะพุทโธแข่งกับความคิดของเราอะค่ะจนกระทั่งพอความคิดของเราเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่ามันหายไปแล้วค่ะเราก็พุทโธต่อไปเรื่อยๆต่อกับมันคือเหมือนกับว่าพอมันมันเหมือนกับว่ามันไม่มีมันความคิดมันมันหายไปแล้วอะค่ะภระอาจารยก็เจก็สงบในระดับหนึ่งความคิดตรงแต่งเบาลงไปแต่ก็ยังไม่หมดก็พุทโธต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ า, าจิตมันจะวูบลงไปแล้วก็เน่งรวมเองมันก็จะหยุดไปเองถ้ามันยังไม่รวมก็แสดงว่ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็พุโทโธต่อไปคือพอเราพุโทโธต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคะ่ะมันก็เหมือนกับว่าคือมันแต่ว่าขาเราก็ปวดนะคะอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้สนใจมันไม่อย่าไปสนใจมันแล้วพอเสร็จแล้วทีเนี้ยคะ่ะอาจารย์มันเหมือนกับว่าอยู่อยู่เนี่ย ขามันก็มันวุบหายปวดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราแล้วมันเหมือนกับว่ามันแต่มันไม่ได้ดิ่นลงนะคะพระอาจาแต่มันเหมือนมันเย็นขึ้นมาแล้วเราก็ตื่นเต้นนะคะพระอาจาย์ก็จิตแล้วปล่อยไงจิตปล่อยมันมันก็เลยความความบางทีเวทนาก็หายไปแล้วความเครียดความทรมานใจก็หายไปด้วยจิตก็เย็นสบายแต่ทีนี้เราไม่สามารถควบคุมมันต่อได้ค่ะพระาจาย์มันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าอุ๊ ส่งเราแบบเหมือนเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่ามันใช่ไหมแง่ความสงบอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มัต้องเหมือนมันตื่นเต้นนะคะก็ไม่เป็นไรข้างหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราเจอความใจอีกเราก็จะได้รู้จากวิธีปฏิบัติกับมันแต่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะพยายามแต่มันก็มันไม่เกิดค่ะอาจารย์พยายามอย่าไปคิดถึงผลที่ได้ในอดีตเยอย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนอย่างที่เราได้คราวที่แล้ว เพียแต่พุทโธพุทโธต่อไปแบบไม่รู้ไม่ชี้อมันจะหายไม่หายจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอให้เรามีพุทโธไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่าไปคาดอย่าไปคิดว่าเอเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะสงบเหมือนเมื่อเมื่อคราวที่แล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันไม่ได้พุทโธแล้วให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆเหมือนครั้งแรกครั้งแรกเราไม่ได้รู้ไม่รู้ว่าผลมันจะเกิดยังไง ก็เราก็ทำครั้งต่อไปก็เหมือนกันเหมือยไม่รู้ว่าผลจะเกิดอะไรอย่าไปคิดถึงผลที่เกิดแล้วมันเป็นเป็นการส่งจิตไปอดีตนะคมันต้องอยู่ปัจจุบันปัจจุบันก็ต้องอยู่กับพุทโธเองอย่างเดียวใช่แต่จิตมันก็อยากจะไปก็ต้องดึงมันมาให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับอาจารย์ว่าไงปัญหาของหนูมีค่ะ ของหนูบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็พอมันสงบก็เลยดูกายในกายเหมือนเดิมแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้มองตรงจมูกเจ้าค่ะคราวนี้ก็จมูกมันมีเซฟตั้มเจ้าค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นสองรูเจ้าค่ะจิตมันก็เลยเคลื่อนสองรูเจ้าค่ะมันก็ไม่รวมท่านจะ มันไม่รวมก็ไม่เป็นไรก็ดูไปเรื่อยๆก่อนแสดงว่าจิตมันยังไม่เพ่งนานพอต้องเพ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามันถึงเวลามันก็จะรวมเองไม่รวมก็ไม่เป็นไรถ้ามันยังอยู่กับไอ้นี่ได้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็ยังกําลังเจริญสติอยู่ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆคือมันแค่อยากสุว่าปริกรรมดูกายในกายเหมือนลูกปู่เยเสร็จ แล้วหลายๆครั้งแล้วมันเหนื่อยเจ้าค่ะเหนื่อยเหนื่อยไม่อยากจะอะไรแล้วอยากอยากจะวางจิตไว้อยู่สักที่หนึ่งเจ้าค่ะก็เลยวางไว้ตรง<ด>ตรงนี้ก็ได้ใช่ไส่วนไหนส่วนหนึ่งของร่างกายอ๋อแต่แต่หนูวางน้อยไปใช่ไหมคะหมือว่าสั้นไปอ่าก็พยายามผูกมันไว้ตรงนั้นนานๆดูไปนานๆเพ่งไปนานๆอ่าก็ค่ะใช้เลื่อมตาเพ่งแล้วหลับตาเพ่ง หลับตาะไม่ได้เปิดดูในจำจำจาไว้ให้มันเป็นมโนภาพใช่ค่ะแล้วก็เพ่งแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ฟิกว่าจะต้องดูวันนี้ค่ะบางครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากดูวันนี้เราอยากแค่ดูลมผ่านเข้าออกเฉยๆอะค่ะดดูส่วนไหนของร่างกายได้หมดทุกส่วนอ๋อหนูไม่ต้องทำเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะก็แล้วแต่ถ้าถ้าชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นไป แต่ว่ามันชอบหลายแบบเนาะค่ะก็ะไม่เป็นไรายได้ถ้าอยู่ใน อ, อยู่ในร่างกายนี้ใช้ได้อยู่อาการ32อาการใดอาการหนึห่งหรือหลายอาการก็ได้ถือว่าเป็นการท่องกรรมฐานท่องเที่ยวในกายนครเป็นปัญญาะจะได้เห็นความจริงของร่างกายว่ามันมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่าเวลาที่เคยเข้าเข้ารวม ที่งเนี่ยก็คือเข้าโดยการเพ่งเจ้าหา ะ, ะไม่ได้เข้าโดยดูลมคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเราไม่เข้าทางเดิมมันก็จะเดินทางใหม่ไปเรื่อยๆสเปดตะปะเจ้าห่มันก็กลายเป็นมีความสงลังเลสงสัยว่าเอา้าทําไมไม่พยายามเข้าทางเดิมให้ได้อนะไรอยงี้เจ้าค่ ะ, ะเข้าทางเดิมได้เปล่าอ่ะได้ไม่ได้อีกเลยเจ้าค่ะได้ครั้งเดียวไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นนะแต่มันเคยเข้าได้ครั้งหนึ่งมันก็น่าะจะเข้าทางเดิมได้ใช่ไหมได้ถ้าเรา ถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับมันให้มากพอนะคะเจ้าค่ะสาธุค่ะการมรสการค่ะก็ผลิตหนุอยากเรียนถามว่าเวลาที่เราบริกรรมพุทโธนะคะสมมติว่าจิตของเราอยู่ที่พุทโธเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะพอถึงจุดจุดหนึ่งเวทนามันเกิดขึ้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าพุทโธมันเอาเวทนาไม่อยู่เี่ยแต่ว่าจิตมันเหมือนก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันไม่อาพุดโธแล้วมันจะมันจะมาดูจิตหรือดูความรู้สึกที่ปรากฏนะขณะนั้นหนูปล่อยพุโทโธได้ไหมเจ้าคะแล้วมาดูที่ความรู้สึกที่ปรากฏนะตอนนั้นเลไอย่างเงี้ยค่ะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางก็ดูได้ค่ะ <c oughs> ถ้าดูด้วยใจที่มีความอยากให้มันหายมันก็จะทําให้ทุกข์มากขึ้นอ๋อ <c oughs> ต้องดูเฉยๆดูเหมือนกันเราดูลมเหมือนก็ดูพุโทโธโดยไม่มีความอยาก ก, กับลมหรือกับพุโทโธอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็คือคนจะต้องเอาพุโทโธไปก่อนเพราะว่าดูเหมือนกับมันใหญ่สหายปวดก็ต้องเอาพุโทโธอัดเข้าไปก่อนอย่างเดียวเลยใช่มคะแต่ว่าสมมติถ้าวันหนึ่งจิตมันถอนไม่เอาพุโทโธแล้วมาอยู่ที่ความมันจะดูความรู้สึกที่แบบูบ้<ด>สบยสบายๆนี่ก็กลอก่อ<ด>ไปงดูด้คะค่ะขอบพระคุณค่ะอ่าท่นนี้มีใครอยากจะถามอีกไหม เพราะไม่มีจะได้ปิดประชุมแนละ้วผมถามก็ได้ครับใช่ครับคื อ, ค, อคือการการภาวนามันเหมือนกับจริงมันคือมันก็แต่ละวันมันก็จะมีมันเหมือนมันจะไม่มีรูปแบบหรอครับมันเหมือนอย่างอย่างอย่างผมหลังๆนี้ผมจะเหมือนกับว่า อ, อจะดูที่ผัสสะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มามากระทบอะครับเ อ, อทั้งกายทั้งอารมณ์ก็ดีหรืออะไก็ดีบางทีมันก็จะจะเพลินหรือไม่บางทีเราก็ฟังธรรมะของอาจารย์หรือของหลวงตาอย่างเงี้ยนะครับ เราก็นั่งเพลินคือเราก็รู้ว่เนขาวเราเป็นเน็บละแต่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะไปสนใจตรงนั้นก็ เ, เหมือนใจเราจะเหมือนจะเป็นภาชนะที่รองรับทำหลงตาอยู่มันก็จะเพลินอย่างนี้ไปเรื่อยๆคืออย่างนี้ถู ก, ถกต้องแน่นนะครับคือบางทีคนที่ยังนั่งสมาธิเองไม่ได้เวลยต้องใช้การฟังเทศฟังธรรมไปก่อนบางคนก็อาศัยการสวดมนต์ไปก่อนเพราะว่าสติของตัวเองยังมีกําลังไม่พอ ก็เลยต้องใช้สิ่งที่มาช่วยเสริมสติเพราะเวลาเราฟังธรรมเราก็ต้องมังคับใจให้จดจ่อกับการฟังมันก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาถ้าให้อยู่กับพุทโธมันไม่มีกำลังที่จะพุทโธมันเลยต้องอาศัยเสียงธรรมเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพุทโธแทนไปก็ได้แล้วแต่บางวันสติแก่กล้าพอก็บางทีก็ดูลมหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ก็แล้วแต่ก็ทั้ง เพราะว่าชีวิตของเรายังทำงาน <S <S ทำการอยู่เราต้องไปพบปะกับอารมณ์ต่างๆบางวันก็อารมณ์มากบางครก็อารมณ์น้อยถ้าวันอารมณ์น้อยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ยากพอวันไหนอารมณ์มากเรื่องมากนี่รู้สึกว่ามันยากก็เราก็ต้องใช้วิธีต่างๆกันไปที่เหมาะกับอารมณ์ของเราในวันนั้นก็แล้วกันข้อสาคัญก็คือให้ใจมีอะไรยึดเหนี่ยวแล้จะได้ไม่ไปคิดฟุ้งซ่าน ฟังธรรมมันก็จะไ ด, มะไดไม้มันจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการได้ อ, อ่ะมีคนอยากจะถามต่อการอนาสการพระอาจารย์ครับเพิ่งมาใหม่ครับเอาเลยจากระกลับเรียนว่าสมาธิพุทธเน่ะถ้าเราไม่นั่งหลับตาฮะเราไม่ภาวนาพุทโธแต่เราเดินตามมักแปดเนี่ยโดยเดินตั้งแต่มักหนึ่งถึงมักเจ็ดเนี่ยจนมันสงบเป็นสมาธิได้ไหมครับ คือมรแปดมันไม่ได้เดินแบบนั้นเลยมันไม่ได้หมายว่าจากสัมมาทิฏฐิไปสู่สัมมาสังกรปรอะไรนี่มันไม่ใช่โดยการที่เราปฏิบัติศีลดูระวังไม่ให้ผิดศีลไม่ให้เกิดความโกรธความโลภได้ก็ตอนต้นก็รักษาศีลก่อนแล้วก็ขั้นต่อไปก็ต้องเจริญสติจะได้จะได้ไปสู่สมาธิครับจากสมาธิก็จะได้ไปสู่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปร์ก็าาจากตน้นกับวนไปท้ายแล้วไปต้นเต่ความจริงต้องเริ่มที่ศีลก่อน หลังไม่ต้อง ไ, ไม่ใช่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนนะว่ามีความเห็นถูกต้องโดยการปฏิบัติอย่งนี้ไปแล้วก็จนเกิดปัญญาก็ใช่เนละมีความเห็นว่าจะต้องรักษาศีลก่อนไครับ <g ill an> ความเห็นถูกต้องคือต้องรักษาศีลก่อนรักษาศีลแล้วก็ไปเจริญสติเมื่อเจริญสติก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิก็จะได้ไปเจริญสัมมาทิฏฐิเพิ่มอีกทีนึงครับก็ไปมันวนเป็นวงกลมอย่างนั้นเดียเหมือนกับที่ที่กระผมปฏิบัติอยู่ก็คือการสังวรระวังไม่ให้เกิด จากจากผิดศีลแล้วก็เจริญสติโดยว่าเวลาเกิดอะไรมันกระทบอย่างเงี้ยก็ให้รู้ว่าเออมันเป็นแต่เพียงสัแต่ว่าอารมณ์เลยเนี้ยอาปล่อยวางมันไปถ้าปล่อยวางได้ก็ดีแล้วมันก็จะไม่โกรธมันก็จะไม่ทุกข์ก็ถูกแต่ถ้าเกิดบางทีแบบเพราะเวลาเราปฏิบัติสมาธิโดยการพุโทโธโดยการดูลมหายใจอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็แบบ ถ้าเราไม่ใช้สติพิจารณาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเรานั่งสะกดจิตอะใช่ไหฮะแต่ผมก็เคยนั่งจนมันถึงจุดที่ว่ามันหายไปอ่ะลมหายใจหายไปแต่เราตกใจออืตกใจก็กรวิ่งหาลมคว้าหาลม ต, ตกใจก็เลยเห็นเป็นรูปเป็นรูปของปูม่ม่านอะตกใจอ่ะใช่ไนฮะแล้วก็เลยหายไปอืออันนั้นมันก็แบบเกือบจะรวมแล้วแต่เราตกใจคือทำไม ก็ท ำ, ทำทั้งสองอย่างก็ได้นะแต่ว่าาหน้าอย่าไปตกใจให้รู้เฉยๆเหมือนอย่างที่คนฝึกเยอะให้สักแต่ว่ารู้ไปเฉยๆครับแล้วจิตมันก็จะรวมแล้วก็เราปฏิบัติในการที่จะไปถึงความสงบเนี่ยเราก็เริ่มเดินไปจากปฏิบัติธรรมมัก8ปดนะเดินไปเรื่อยๆจากสามมาทิฏฐิแล้วก็สามสามาสังกัปโปสังกัป่ากันฮะคิด ที่เจอะจากกามออกจากกีเลสอะไรเงี้ยออกจาก<ม>ทำพยาบาทใช่ไห ม, มแล้วก็เพียรพยายามทําการงานอะไรเงี้ยให้มันถูกต้องอื<ม>ก็ก็ได้ใช่ไหมฮะได้แต่มันมกมันมีหลายหลายหลายระดับไงรับกที่เราอยู่ในระดับค า, าราวาที่ก็ยังเป็นระดับที่ต่ำอยู่รเราต้องขยับขึ้นไประดับที่สูงกว่า น, นั้นจากค า, าราวาเราก็ต้องไปมากของของนักบวช สามาชีพของคารวะกับของนักบวชไม่เหมือนกันครั บ, รบของนักบวชนี่ให้บินตาบาทครับของคารวะก็ยังทํางานหาเงินหาทองอยู่ทางสุจริตมันก็มีความหยาบละเอียดต่างกันครั บ, รบก็ต้องขยับตอนต้นก็เจริญมาก ข, ของคาวาะไปก่อนครับแล้วพอเราคิดว่าเราสามารถก้าวขึ้นสู่มากของพระได้เราก็ไปบวชแต่ที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดเราสามารถปฏิบัติจนนั่งสมาธิ จนจิตรวมเป็นหนึ่งได้ไดอันนั้นถือว่าได้ถ้าเราจิตรวมเป็นหนึ่งเราก็อยากจะออกบวช น, นะครับเข้าใจแล้วครั บ, ารบอาจารย์เขาจะถามครับพอดีได้คําถามเมื่อกี้ของกรงของท่านท่า น, ท, านท่านหนึ่งเนะที่ว่านั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเบทนาแล้วก็ก็ไม่ไม่จับพุทโธก็ก็ไปแบบเดียวกันนะแต่ว่า พอเขาเกิดเบียดธนาปับพยายามมัจับจับตัวรู้นี่จับตัวรู้ปั๊ปบมันก็ก็พอจะแยกได้ระหว่างความปวดกับกับตัวรู้แยกไปสักพักหนึ่งก็ก็ความปวดก็ไม่รบ ก, กวนทีนี้ถึงเวลาจะออกก็ก็ออกทีนี้ถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราควรจะดําเนิน ไปที่ไหนต่อครับก็พยายามฝึกทําไปเรื่อยๆให้มันติดเป็นนิสัยไปให้มันชํานาญต่อไปเวลาเจ็บท้องปวดหัวก็จะได้แยกมันออกจากตัวรู้ไปตัวรู้ก็รู้เฉยๆไปเจ็บท้องก็ปล่อยมันเจ็บไปมียากินก็กินไปหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปไม่ทุกไปกับมันนั่นคือเป้าหมายของการพิจารณาทุกขเวทนาเพื่อให้ใจของเราเฉยกับมัน ไม่ไปทุกไม่วุ่นวายไปกลัวมันครับต้องทำบ่อยๆต้องนั่งให้มันเจ็บบ่อยๆ ย, ยิ่งเจ็บนานๆได้ยิ่งดีมันจะได้มีกำลังมากขึ้นเพราะเวลาเจ็บไขยได้ป่วยนี่บางทีมันไม่ได้เจ็บแบบนั่งสมาธิมันเจ็บทั้งวันทั้งคืนเนะราพยายามทําไปบ่อยๆซ้ำแล้วซ้าอกีกเพื่อจะได้มีความชนานาญมีกำลังที่จะ รักษาใจให้สักแต่ว่ารู้ครัขบขอบคุณคนี่บอกหลวงพ่อคะ่ะเมื่อวานนั่งสมาธิไปได้ไม่นานคะ่ะยังไม่รวมด้วยซ้ำแต่ว่าขาเนี่ยมันมันเหมือนมีเลือดออกแล้วเปียกชุ่มเลยคะ่ะก็ตกใจหรือว่าเส้นเลือดมันแตกเนาะเพราะว่าเป็นโรคเส้นเลือดอยู่แล้วก็อุปทานไป ก็ลืมตาดูสองครั้งก็ไม่มีเลือดออกอันนี้เป็นฟุ้งซ่าแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็เจ็ดปรุงแต่งไปแล้วแต่มันมันมีอาการมันมีอาการที่กายก่อนที่จิตเราจะไปใช่อาการอาจจะมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วจิตมันก็เลยขยายความเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาเจ้าค่ะช่างมันนะเจ้าเจ็าปรุงแต่งไปก็มีวิธีวิธีหนึ่งก็ลืมตาแล้วตรวจดู วิธีนี้ก็ช่างหัวมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันลืมตาดูสองรอบแล้วปฏิบัติเพื่อต้องการจะช่างมันงไงอ๋ อ, อจุดท้ายแล้วเร็วหเวลานะพอาจายคะ่ะแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ได้สัมผัส <c oughs> ไอความรู้สึกนั้นอีกแล้วเราควรจะ จะทำไงให้มันไม่ตื่นเต้นเหมือนเหมือนครั้งออถ้าบ่อยๆมันก็จะชินกับมันเองใหม่ๆ ม, มันไม่เคยมันก็เลยตื่นเต้นแต่พอครั้งต่อไปแล้วมันก็จะเฉยๆถ้าเจอมันบ่อยๆค่ะอาจารย์หมนแล้วใช่ไหม mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิพิจาณาไปปฏิบัต